ต่อไปเป็นเรื่องที่เจ็ดอนามาสะวินิจฉยกถากถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องวัตถุอนามาสก็คือสิ่งที่ไม่ควรจะจับต้องวัตถุที่ไม่ควรถูกต้องชื่อว่าอนามาสในเรื่องนี้มีวินิจฉัยดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าปรับอบัติกกทุกฎแต่พิสู้จับต้องด้วยความรักอาศัยเรือนว่าผู้นี้เป็นมารดาของเรานี้เป็นพดาของเรานี้เป็นพี่น้องสาของเรา เพราะขึ้นชื่อว่าผู้หญิงแม้ทั้งหมดจะเป็นมารดาก็ตามเป็นที่ดาก็ตามเป็นพี่น้องสาวก็ตามเป็นข้าศึกแก่พรหมจันทร์ทั้งนั้นจึงไม่ควรถูกต้องถ้าเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นใครญาติหรือไม่ใช่ญาติก็ห้ามจับต้องทั้งนั้นเพราะว่าเป็นข้าศึกแก่พรหมจันทร์จับต้องต้องบัตรทุกโสดถ้าจะต้องด้วยรับอาศัยเรือนไม่ใช่มีราคะถ้ามีราคะก็ต้องบัตสรสำคัญพิเศษ ก็เมื่อภิกษุระลึกถึงพระอาญานี้ของพระผู้มีพระภาคเจา้าถ้าแม้ว่าเห็นมารดาถูกกระแสน้ำพัดไปไม่ควรจับต้องด้วยมือเลยแต่ภิกษุผู้ฉลาดพึงนำเรือหรือแผ่นกระดานหรือท่อนกล้วยหรือท่อนไม้เข้าไปให้เมื่อเรือเป็นต้นนั้นไม่มีแม้ผ้ากาสาวะพึงนำไปวางไว้ข้างหน้าก็คือผ้าผ้าจีวรลงไปให้มารดา แต่ไม่ควรกล่าวว่าจงจับที่นี้คืออย่าไปบอกให้จับจีวรไว้จับจีวรไว้ไม่ควรบอกอย่างนี้นะเมื่อท่านจับแล้วพึงสาวมาด้วยทําในใจว่าต้องมียโยนในสมณศรีการด้วยนะเนี่ย mm. ก็ทําว่าเราสาวบริขารของเรามา mm. ก็ถ้ามารดากลัวพึงเข้าไปข้างหน้าก็าคือพึงลงน้ําไปถ้าเขากลัวแล้วก็จับจีวรไม่ได้เนะนะแล้วปลอบโยวนว่าอย่ากลัวเลย ถ้ามารดาถูกน้ำพัดไปรีบขึ้นคอก็มาคว้าค อ, อของเราหรือจับที่มือของพิตุผู้เป็นบุตรพิตุอย่าพึงสลัดว่าจงหลีกหนีไปหญิงแก่อย่าไปสลัดนะไม่ต้องรังเกียจเพราะว่าชีวิตของมารดานี่นะต้องมีสติสัมปชัญญะในการเจรรักษาพระวินัยด้วยก็กยกพึงส่งไปให้ถึงบกเมื่อมารดาติดหลุมก็ดีตกลงไปในบ่อ ก, ก็ดีก็มีในนี้เหมือนกัน อธิบายว่าพิสุพึงโยนเชือกหรือผ้าไปแม้ในหลุมเป็นต้นนั้นรู้ว่าที่มารดาจับเชือกด้วยมือแล้วจึงฉุดขึ้นแต่อย่าพึงจับต้องตัวเลยก็อย่าไปจับแต่ถ้ามารดามาจับตัวเราอันนี้ก็ไม่ต้องสลัดก็ไม่ใช่แต่ร่างกายของมาตุคามอย่างเดียวเท่านั้นที่เป็นอนามาสไม่ควรจับต้องแม้ผ้านุ่งและผ้าห่มก็ดีสิ่งของเครื่องกระดับก็ดี โดยที่สุดสเวียนย ญ, ญ้าก็ดีแหวนใบตาลก็ดีเป็นอนา ม, มาสทั้งนั้นเรื่องประดับทุกสิ่งทุกอย่างของสตรีนี่ก็ไม่ควรจับต้องก็แลผ้านุ่งและผ้าห่มที่เป็นวัตถุอนา ม, มาสนั้นต้องเป็นผ้านุ่งผ้าห่มที่ใช้เป็นเครื่องประดับอยู่เท่านั้นก็ถ้าหากว่ามาตุคามวางผ้านุ่งหรือผ้าห่มไว้ในที่ใกล้เท้าเพื่อต้องการให้เปลี่ยนเป็นจีวรผ้านั้นสมควรก็คือถ้าเกิดพระภิกษุ ถูกโจรต้นชีวรไปแล้วก็แอบอยู่หลังต้นไม้หรือว่าเอาเอาใบไม้อะไรมานุ่งอยู่เนี่ยผู้หญิงนุ่งผ้าไปก็มีผ้าห่มก็เกิดสละผ้านุ่งหรือสละผ้าห่มตัวเองก็ปกปิดให้ดีแล้วแล้วก็สละผ้านุ่งผ้าห่มถอดขณะนั้นเลยที่สุก็สามารถที่จะถือเอามานุ่งห่มได้นะ ก็บรรดานเครื่องประดับศรีรษะและปิ่นปักผมทำด้วยงาเป็นต้นอันเป็นกัปปิยะที่มาตุคามถวายว่าท่านเจ้าคะพวกดิฉันถวายสิ่งนี้แด่พระคุณเจ้าทั้งหลายขอพระคุณท่านโปรดรับสิ่งนี้เถิดที่สุควรรับไว้เพื่อเป็นเครื่องใช้มีฝักมีดโกนและเข็มเป็นต้นส่วนพันฑะที่ทำด้วยทองเงินและแก้วมุกดาเป็นต้นเป็นอนามาตแท้ ถึงแม้เขาถวายก็ไม่ควรรับถ้าเกิดเขาถวายสิ่งที่เป็นกัปริยะนี่ก็รับได้มาตุคามเนี่ยถวายแม้เป็นเครื่องประดับของเขาแต่เขาถวายแล้วก็รับได้แต่ว่าต้องระวังเรื่องสัมโพคะสังสักะก็ะคือการใช้ของร่วมกันกับสตรีเนะนี่ยนะมันก็อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้การมุ้ยตกเกิดได้มันก็ต้องมียยตัวมนุษการดีด อันหนึ่งไม่ใช่แต่เครื่องประดับที่สวมร่างกายของหญิงเหล่านั้นอย่างเดียวเท่านั้นเป็นอนามาถึงรูปไม้ก็ดีรูปนาก็ดีรูปโลหะก็ดีรูปเหล็กก็ดีรูปดีบุกก็ดีรูปเขียนก็ดีรูปสาเร็จด้วยรัตนะทุกอย่างก็ดีที่เขากระทำสันฐานแห่งหญิงชั้นที่สุดแม้รูปที่ปั้นด้วยแป้งก็เป็นอนามาทั้งนั้นไม่ควรจับต้องเลยนะเพราะฉะนั้นรูปผู้หญิง ส, งสาว ส, สวยที่ โชหรือประกาศตามกล่องสบูกล่องแฟบกล่องอะไรก็แล้วแต่นี่นะที่พระวิสูจนำมาใช้อันนี้ก็ต้องระวังถ้าไปจับต้องด้วยจิตที่ไม่ดีมีอบัติกานแต่เพื่อประโยชน์แต่การใช้สอยได้ขอที่เขาถวายว่าสิ่งนี้จงเป็นของท่านเพื่อเอาไว้ใช้สอยเว้นของใิ้สำเร็จด้วยรัตนะทุกอย่างทำลายรูปที่เหลือน้อมเอาสิ่งที่ควรเป็นเครื่องอุปกรณ์เข้าในเครื่องอุปกรณ์ และสิ่งที่ควรใช้ใอยเข้าในของสําหรับใช้ใอยควรอยู่เพราะฉะนั้นรูปภาพผู้หญิงสวยๆต่างๆที่ของที่เขาถวายมามีรูปภาพอยู่เหล่านั้นก็ทําลายเสียโดยเอาปากกาเอาสีต่างๆเนี่ยไปขีดที่หน้าที่อะไรต่างๆเหล่า น, นี้ให้เสียโฉมไปแล้วก็เอาข้าวของหลานนั้นเนี่ยมาใช้ได้อันหนึ่งแม้ธัญชาติเจ็ดชนิดมีข้าวสารีข้าวละมานข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวฟ่า ง, าางลูกเดือยหญ้าขับแก่ ก็เป็นอนามาเช่นเดียวกับรูปสตรีเพราะฉะนั้นเมื่อเดินไปกลางทุ่งนาอย่าเดินจับต้องมเมล็ดธรัญรชาติแม้ที่เกิดอยู่ในทุ่งนานั้นไปพลางถ้ามีธรัญรชาติที่เขาตากไว้ที่ประตูรเรือนหรือที่ระหว่างทางและข้างทางมีทางเดินก็อย่าเหยียบย่ำไปเมื่อทางเดินไม่มีเพิ่งอธิษฐานให้เป็นทางแล้วเดินไปเถิดถ้าไม่มีทางเดินก็เดินไปบนข้าเปลือกนั้นน่ะได้ แต่ว่าให้อธิษฐานมีสติตั้งใจว่าทางอื่นไม่มีแล้วนั้นตรงนี้แหละเป็นทางเดินของเราอย่างนี้ก็ไม่มีอ ბ ัตแต่ถ้ามีทางเดินอื่นก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงไปทางเดินอื่นอย่าไปเหยียบย่ําพวกธัญชาติเหล่านั้นคนทั้งหลายปูลาดอาสนะถวายบนกองธัญชาติในละแวกบ้านจะนั่งก็ควรถ้าเป็นมงคลของเขานะเขาเกิดไปปูอาสนะไว้บนกองธัญชาติทั้งหลายเ น, นี่ยนะไม่มีที่นั่งอื่น ถ้าจะบ่อยเขาหรือเขาถอนนะให้ย้ายอาสนะต่างๆก็าาอาจจะยุ่งยากอันก็ควรนั่งได้แต่ก็ให้มีสติตามัญญะว่าเราจะไม่ไปจับต้องธัญชาติเหล่านั้นชวนบางพวกเทธรัญรชาติกองไว้ในโรงฉันถ้าอาจจะให้นําออกได้ก็พึงให้นําออกถ้าไม่อาจอย่าเหยียบย่ําธรัญรชาติพึงตั้งต่างณนะส่วนข้างหนึ่งแล้วนั่งเถิดถ้าไม่มีโอกาส พวกชาวบา้านปูราดอาสนะถวายกลางธัญชาตินั่นเองพึงนั่งเถิดอันนี้นั่งได้เพราะไม่มีเจตนาจะไปจับต้องแม้อาปารณชาตมีถั่วเขียวและถั่วเหลืองเป็นต้นกด็ดีผลตาลและขนุนเป็นต้นกด็ดีที่เกิดในที่นั้นพิกจุไม่ควรจับเล่นแม้ในอาปารณชาตและผลไม้ที่ชาวบ้านรวมกองไว้ก็มีในเช่นนี้เหมือนกัน แต่การที่พิจุจะถือเอาผลไม้ที่หล่นจากต้นในป่าด้วยตั้งใจว่าจะให้แก่พวกอนุสัมบันฑควรอยู่ผลไม้ที่อยู่บนต้นไม่ว่าจะเป็นพวกอปรรณชาติถั่วเขียวทั่วเหลืองต่างๆหรือว่าผลขนุนสาเกมะม่วงห้ามไปจับไปจับนี่ต้องอบับทุกรดเรียกว่าเป็นทุรุปจินนะไม่ดีไม่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดผลไม้มันตกกลางป่าจะถือมาด้วยจิตบริสุทธิ์ให้แก่สามเณรนี่ก็ได้นะไม่เป็นไร ถ้าเกิดภายหลังสำเนินเอามาถวายพระภิตุจะขบฉันก็ได้บรรดารัตนสิทิประการเหล่านี้คือมุกดามนมณีไพฑูนสังศิลาประพานเงินทองทับทิมมรกรมุกดาตามธรรมชาติยังไม่ได้เจียรไนและเจาะพิตุจะจับต้องได้อยู่ถ้าเป็นแก้มุกดาที่ยังไม่ได้เจรไนเลยยังไม่มีค่ามากมายก็จับต้องได้อาจารย์บางพวกกล่าวว่ารัตนที่เหลือ เป็นอนามาสคำนั้นไม่ควรถือเอาแต่ในมหาปัญจรีท่านกล่าวว่ามุกดาที่เจรันแล้วก็ดีที่ยังไม่ได้เจรในก็ดีเป็นอนามาอันนี้อาจจะไม่ตรงกันนิดหน่อยในมหาปัญจรีนี้บอกว่าเป็นอนามาและพิจุรับเพื่อประโยชน์เป็นมูลค่าแห่งสิ่งของย่อมไม่ควรแต่จะรับเพื่อเป็นยา แกคนเป็นโรคเรื้อนควรอยู่มีเหตุก็คือรับเพื่อคนเป็นโรคเรื้อนเป็นยาคำนั้นถูกต้องมณีช น, นิดสีเขียวและเหลืองเป็นต้นแม้ทั้งหมดโดยที่สุดจนกระทั่งก้าวผลึกธรรมชาติที่เขาขัดเยรไนและกลึงแล้วเป็นอนามาแต่มณีตามธรรมชาติพ้นจากบ่อเกิดท่านกล่าวว่าที่สุดจะรับเอาไว้เพื่อเป็นมูลค่าแห่งสิ่งของมีบาดเป็นต้นก็ควร แม้มณีนั้นท่านห้ามไว้ในมหาปัญจรีกระจกแก้วที่เขาหุงทําไว้อย่างเดียวเท่านั้นท่านกล่าวว่าควรแม้ในไถทูลก็มีวิจัยเช่นเดียวกันกับแก้วมณีสังจะเป็นสังสำหรับเปล่าก็คือเป็นแตรสังก็ดีที่เขาขัดนะเจรไนแล้วกว็ดีประดับด้วยรัตนะคือคลิบด้วยรัตนะก็ดีเป็นอนามาสไม่ควรจัต้อง สังสำหรับตักน้ําดื่มที่เขาขัดแล้วก็ดียังไม่ได้ขัดก็ดีเป็นของควรจับต้องได้แท้อที่ก็เอาไว้ตักน้ําเนี่ยจะเป็นหอยสำเนี่นะจับต้องได้อันหนึ่งสังที่เหลือพิษสุดจะรับไว้เพื่อใช้เป็นยาหยอดตาเป็นต้นก็ดีเพื่อเป็นมูลค่าแห่งสิ่งของก็ดีควรอยู่ศรลาที่ขัดแนะเจริญนแล้วกระดับด้วยรัตนะ มีสีเหมือนถั่วเขียวเท่านั้นเป็นอนามาสถ้าเ้าประดับด้วยรัตนะก็ไม่ควรจับต้องหมดไม่ว่าเป็นศิลาเป็นสังเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เขาประดับด้วยรัตนะทั้งหลายไม่ควรจับต้องศิลาที่เหลือพิกตุจะถือเอามาเพื่อใช้เป็นหินลับมีดเป็นต้นก็ควรในคนํานี้อาจารย์บางพวกกล่าวว่าบทว่ารัตนสังยุตตาได้แก่ศิลาที่หลอมผสมปนกับทองคําแก้วประทานที่ขัดและเจรไนแล้วก็เป็นอนามาส ประพานที่เหลือเป็นอาารที่จับต้องได้ก็หมายถึงว่าที่เจริญในแล้วมันมีราคามากแล้วก็อย่าไปจับต้องแต่ที่ยังไม่เจริญในยังไม่มีค่าอะไรก็จับต้องได้อาจารย์บางพวกกล่าวว่าภิกษุจะรับไว้เพื่อใช้จ่ายเป็นมูลค่าแห่งสิ่งของควรโยคำนั้นไม่ควรถือเอาแต่ในมหาปัญจเรียกล่าวว่าประพานที่ขัดแล้วก็ตามมิได้ขัดก็ตามเป็นอนามาสทั้งนั้นและจะรับไว้ไม่สมควรคำนั้นถูกต้อง เงินและทองแม้เขาทําเป็นรูปประพันธ์ก็ดีที่เขาไม่ได้ทําเป็นรูปประพันธ์ก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนามาจับต้องเงินทองไม่ได้นะเงินทองแท้ๆก็ดีหรือว่าสิ่งที่เขาสมมุติว่าเป็นเงินทองก็ดีก็ไม่ควรจับต้องทั้งนั้นและเป็นของไม่ควรรับไว้จําเดิมแต่ยังเป็นแร่เลยแร่เงินแร่ทองนี้ก็ไม่ควรจับต้องไม่ควรรับไว้ได้ยินว่าอุตรราชโอรสให้สร้างพระเจดียทองตรงไปถวายพระมหาปทุมเถระ พระเถระห้ามว่าไม่ควรดอกปทุมทองและดาวทองเป็นต้นมีอยู่ที่เรือนพระเจดีแม่สิ่งเหล่านั้นก็เป็นอนามาตไม่ควรจับต้องสําหรับพิกษททุทั่วไปแต่พวกพิกษุผู้เฝ้าเรือนพระเจดีตั้งอยู่ในฐานเป็นผู้ทิ้งรูปียะเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าพิสูจเหล่านั้นจะลูบคลำดูก็ควรหมายถึงว่าสามารถจับต้องได้ถ้าพิกษุผู้ที่ดูแลเรือนเจดีเนี่ย อันสิ่งของที่เขาเอาไปประดับเรือนเจดีย์จะเป็นทองเป็นอะไรก็แล้แต่ก็จับต้องได้แต่ว่าคำนั้นเนี่ยท่านห้ามไว้ในกุรนดีท่านอนุญาตเพียงเท่านี้ว่าจะชำระอยากเยื่อที่พระเจดีย์ทองควรอยู่ท่านกล่าวไว้ในอัตฉริยทั้งปวงว่าแม้โลหะที่เป็นกะไหลทองก็มีคติดุดทองคําเหมือนกันจัดเป็นอนามาส จะชำระอย่างเยอะที่พระเจดีย์ทองก็ไปโดนทองที่พระเจดีย์ได้แต่ว่าผู้ที่เฝ้าเรือนเจดีย์จะไปจับต้องเงินทองจะไปจับต้องทองอะไรต่งตางๆเหล่านี้นี่บางพวกก็บอกว่าควรแต่ว่าในกรุณดีนี่บอกว่าไม่ควรห้ามไว้นะส่วนเครื่องใช้สอยในเสนาสนะเป็นกับิยักทั้งสิ้นคือจะเป็นเงินเป็นทองที่เขาเอาไว้ใช้สอยในเสนาสนะจับได้ทั้งนั้นเลย ถ้าเป็นของประจําเสนาสนะเพราะฉะนั้นเครื่องบริการประจําเสนาสนะแม้ทุกอย่างที่ทําด้วยทองและเงินเป็นอาม마ศอาม마ศหมายถึงจับต้องได้อนามาตแปลว่าจับต้องไม่ได้พวกชาวบ้านสร้างบนดกแก้วในสถานที่แสดงพระธรรมวินัยแก่พิจุตทั้งหลายมีเสาแก้วผลึกประดับประดาด้วย่วงแก้วการที่พิจุตทั้งหลายจะเก็บรักษาเครื่องอุปกรณ์ทั้งหมดในรัตนมนดกนั้นควรอยู่ ทัพทิมและมรกฏที่ขัดและเจรไนแล้วเป็นอะน า, ามาที่ยังไม่ได้ขัดและยังไม่ได้เจรไนนอกนี้เป็นอ า, า, ากจับต้องได้อาจารย์บางพวกกล่าวไว้ว่าการที่ทิสุรับไว้เพื่อเป็นมูลค่าแห่งพันดะก็ควรส่วนในมหาป จ, จรีท่านปฏิเสธไว้ว่าทัพทิมและมรกฏที่ขัดแล้วก็ดีที่ยังไม่ได้ขัดก็ดีเป็นอน า, ามาโดยประการทุกอย่าง และพิกตุจะรับไว้ไม่ควรเพราะฉะนั้นในมหาป จ, จรีนี้รู้สึกจะเคร่งครัดเครื่องอาวุธทุกชนิดเป็นอนามาสอาวุธทุกอย่างเลยเป็นอนามาไม่ควรจับต้องแม้เขาถวายเพื่อประโยชน์เป็นมูลค่าแห่งสิ่งของก็ไม่ควรรับไว้ชื่อว่าการค้าขายสัตราย่อมไม่สมควรแม้คันธนูล้นล้วนก็ดีสายธนูก็ดีประตักก็ดีโตมอนก็ดีขอช้างก็ดี โดยที่สุดแม้มีดและขวานเป็นต้นที่เขาทำโดยสังเกตเป็นอาวุธก็เป็นอานามาสมีผู้ถามว่าเห็นพระถ่ายรูปถือความอยู่เนี่ยมันสมควรหรือเปล่าแต่ว่าถ้าขวานนั้นเนี่ยเป็นของใช้เอาไว้สับปืนในวัดอันนี้จับต้องได้แต่ถ้าเขาใช้เป็นอาวุธเอาไว้ประหัตประหารกันอันนั้นจับต้องไม่ได้ถ้ามีใครๆเอาหอกหรือโตมรมาวางไว้ในวิหาร เมื่อจะชำระวิหารพึงส่งข่าวไปบอกแก่พวกเจ้าของว่าจงนำไปเสียถ้าพวกเขาไม่นำไปอย่าให้ของนั้นขยับขยื่นพึงชำระวิหารเถิดคืออย่าไปจับต้องอย่าไปถูกต้องก็ปัดกวาดไปเว้นที่นั้นไว้พีสุพบเห็นดาบก็ดีหอกก็ดีโตมอนก็ดีตกอยู่ในสนามรบพึงเอาหินหรือของอะไรอะไรต่อยดาบเสร็จแล้วคือทำลายดาบนั้นถือเอาไปเพื่อใช้ทาเป็นมีดควนอยู่ คือทำลายให้มันไม่เป็นอาวุธอันนี้หมายถึงบางสกุลเป็นขคนที่เข้าทิ้งแล้วพิสุจะแยกแม้หอกและโตมออนนอกนี้ออกแล้วถือเอาของบางอย่างเพื่อใช้เป็นมีดบางอย่างเพื่อใช้เป็นไม้ท้าเป็นต้นควรอยู่ก็เอาด้ามกับตัวหอกนั่นนะออกจักกันก็เอามาใช้เป็นของกติยะได้ส่วนว่าเครื่องอาวุธที่เขาถวายว่าขอท่านจงรับอาวุธนี้ไว้ เลขสุจะรับแม้ทั้งหมดด้วยตั้งใจว่าเราจะทําให้เสียหายแล้วกระทําให้เป็นกัปติยะพันธ์ดํานี้ควรอยู่เล่ามาใช้ไม่เป็นอาพุทธนะเครื่องจับสัตว์มีแห่ทอดปลาและขายดักนกเป็นต้นก็ดีเครื่องป้องกันลูกศรมีโลและตาขายก็ดีเป็นอนามาทุกอย่างก็บรรดาเครื่องดักสัตว์และเครื่องป้องกันลูกศรที่ได้มาเพื่อเป็นเครื่องใช้สอย อันหนึ่งตาขายอันทิกสุจะถือเอาด้วยตั้งใจว่าเราจับผูกขึงไว้หรือพันเป็นฉัดไว้เบื้องบนแห่งอาสนะหรือพระเจดีควรอยู่เครื่องป้องกันลูกศรแม้ทั้งหมดที่สุดจะรับไว้เพื่อใช้เป็นมูลค่าแห่งของก็สมควรเพราะว่าเครื่องป้องกันลูกศร น, นั้นเป็นเครื่องกันการเบียดเบียนจากคนอื่นไม่ใช่เป็นเครื่องทำการเบียดเบียนชนิดแล จะรับโลด้วยตั้งใจว่าเราจะทําเป็นภาชนะใส่ไม้สีฟันดังนี้ก็ควรก็เอาโลมาใส่ไม้สีฟันก็ได้เครื่องดนตรีมีพินและกลองเป็นต้นที่ขึงด้วยหนังเป็นอนามาสหนังที่ขึงกลองนี้ก็เป็นอนามาสพินที่ขึงด้วยหนังนี้ก็เป็นอนามาสแต่ในกุรุนดีท่านกล่าวว่าตัวกลองขันชนะขึ้นกลองก็ดีตัวพินสายขึงพินก็ดี ร่างเปล่าก็ดีหนังเขาปิดไว้ที่ขอบปากก็ดีคันพินก็ดีสิ่งทั้งปวงเป็นอนามาสก็คือเครื่องดนตรีทั้งหลายนี่เป็นอนามาสหมดจะถึงเองหรือให้คนอื่นเขาถึงก็ดีจะประคมเองหรือให้คนอื่นเขาประคมก็ดีไม่ได้ทั้งนั้นแม้เห็นเครื่องดนตรีที่พวกมนุษย์กระทําการบูชาแล้วทิ้งไว้ที่ลานพระเจดีย์อย่าทําให้เคลื่อนที่เลยพึ่งกวาดไปในระหว่างระหว่างแต่ในมหาปัญจรีท่านกล่าวว่า ในเวลาเทอยากเยื่อพึงนําไปโดยกําหนดว่าเป็นอยากเยื่อแล้ววางไว้ เ, เวลาที่จะทิ้งขยะคว่าเสร็จ แ, แล้วก็จะเอาขยะไปทิ้งให้ทําความบ่อยว่าไอ้เจ้าเครื่องดนตรีที่วางเสกะอยู่นะนะั้นเป็นขยะเป็นอยากเยื่อแล้วก็เอาไปเสร็จ แ, แล้วก็เอาไปวางไว้ที่ข้างหนึ่งใกล้ๆกองขยะนึ่นก็ได้พึงนําไปโดยกําหนดว่าเป็นอยากเยื่อแล้ววางไว้ณนะส่วนข้างหนึ่งควรอยู่ แม้จะรับไว้เพื่อใช้เป็นมูลค่าแห่งสิ่งของก็ควรแต่ที่ได้มาเพื่อต้องการจะใช้สอยจะถือเอาเพื่อต้องการทำให้เป็นบริขารนั้นๆโดยตั้งใจอย่างนี้ว่าเราจะทำรางพินและหุ่นกลองให้เป็นภาชนะใส่ไม้สีฟันหนังจะทำให้เป็นฝักมีดแล้วกระทำตามที่ตั้งใจอย่างนั้นควรอยู่เพราะฉะนั้นถ้าตั้งใจจะแยกชิ้นตัวเหล่านั้นแล้วเอามาทำเป็นกัปติยาพั์อันนี้ก็ไม่มีโทษ ระถาวินิจฉัยเรื่องวัตถุอนามาในบาลีมุตตะวินยะวินิจฉัยสังหะจบแล้วสาธุสาธุสาธุ